แล้วรู้จักกันมากที่สุดคงจะได้แกะคำว่าอริยะบุคคลหรือพระอริยะซึ่งแปลว่าผู้เจริญบ้างท่านผู้ประเสริฐบ้างท่านผู้ไกลาจากข้าศึกคือกิเลสบ้างเป็นต้นความจริงคำว่าอริยะบุคคลเป็นคำที่นิยมใช้สำหรับพูดถึงอย่างกว้างๆโดยกลุ้มๆไปไม่ระบุตัว อาจใช้เป็นคำเฉพาะมาแต่เดิมไม่ต้นแบบที่ใช้อริยะบุคคลเป็นคำเฉพาะคงจะได้แก่คำพีบุคลบัญญัติแห่งอภิธรรมปีดกคำเดิมที่ท่านใช้เป็นศัพท์เฉพาะสำหรับแยกประเภทหรือแสดงระดับขั้นในบาลีได้แก่คำว่าทักคินัยหรือทักคินายะบุคคลอย่างไรก็ตามคำว่า ถักคินญยบุคคลก็ดีอริยบุคคลก็ดีล้วนเป็นคำเลียนสั์ในศาสนาพราหมณ์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนแปลหรือปฏิวัติความหมายเสียใหม่เช่นเดียวกับศัพ์อื่นๆอีกเป็นอันมากเช่นพรมพราหมณ์นหาตะกะเวทคูเป็นต้นคำว่าอริยตรงกับสันสกฤตว่าอริย เป็นชื่อเรียกเผ่าชนที่อพยพเข้ามาทางตะวันตกเฉียงเหนือของชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียเมื่อหลายพันปีมาแล้วแล้วลุกลายจนเจ้าทินเดิมให้ถอยร่นลงไปทางใต้และป่าเขาพวกอริยะหรืออาริยะนี้เวลาเรียกเป็นเผ่าชนนิยมใช้ว่าพวกอริยะกะหรืออารยันถือตัวว่าเป็นพวกเจริญ และเหยียดชนเจ้าถิ่นเดิมลงว่าเป็นพวกมิลักะหรือมะเลจฉะคือพวกคนเถื่อนคนดงคนดอยเป็นพวกทาตหรือทัศยุตต่อมาเมื่อพวกอริยะเข้าครอบครองถิ่นฐานมั่นคงและจัดหมู่ชนเข้าในระบบวันณะลงตัวโดยให้พวกเจ้าถิ่นเดิมหรือพวกทาตเป็นวันนาสูตรแล้วคําว่าอริยะหรืออริยะหรืออริยนัน ก็หมายถึงชนสามวันหน้าต้นคือกษัตริย์รามและแพทย์ส่วนพวกสูตรและคนทั้งหลายอื่นเป็นอนาระยะทั้งหมดการถืออย่างนี้เป็นเรื่องของชนชาติเป็นไปตามกำเนิดจะเลือกหรือแก้ไขไม่ได้เมื่อพระพุทธเจ้าออกประกาศพระศาสนาพระองค์ได้ทรงสอนใหม่ว่าความเป็นอริยะหรืออริยะไม่ได้อยู่ที่ชาติกาเนิด แต่อยู่ที่ธรรมะซึ่งประพฤติปฏิบัติและฝึกฝนอบรมให้มีขึ้นในจิตใจของบุคคลครจะเกิดมาเป็นชนชาติใดวันณัไหนไม่สำคัญถ้าประพฤติอริยะธรรมหรืออริยะธรรมก็เป็นอริยะหรืออริยะชนทั้งนั้นไรไม่ประพฤติก็เป็นอนายะหรืออนาญยาชนทั้งสิน้นสัจธรรมก็ไม่ต้องเป็นของที่พวกพราหมณ์ผูกขาด โดยจำกัดตามคำสอนในคำภีร์พระเวทแต่เป็นความจริงที่เป็นกลางมีอยู่โดยธรรมดาแห่งธรรมชาติผู้ใดรู้แจ้งข้าใจสัจธรรมที่มีอยู่โดยธรรมดานี้ผู้นั้นก็เป็นอริยะหรืออาริยะโดยไม่จำเป็นต้องศึกษาพระเวทของคราธรรมแต่ประการใดและเพราะการรู้สัจธรรมนี้ทำให้คนเป็นอริยะสัจธรรมนั้น จึงเรียกว่าอาริยสัตว์เมื่อว่าตามหลักบุคคลที่จะเข้าถึงอริยสัตว์ก็คือท่านที่เป็นโสดาบันขึ้นไปดังนั้นคำว่าอาริยที่ใช้ในคำภีโดยทั่วไปจึงมีความหมายเท่ากับทักขินยะบุคคลที่จะกล่าวต่อไปและอริยสัตว์สี่บางกล่าวท่านก็เรียกว่า อริยธรรมหรืออริยธรรมอย่างไรก็ตามคําว่าอาริยธรรมหรืออริยธรรมนี้ท่านไม่ได้จํากัดความหมายตายตัวแต่ยักเยื่อใช้ได้กับธรรมะหลายหมวดบางทีผ่อนลงหมายถึงกุศ ล, ลกรรมบว10ิบบ้างศิบห้าบ้างก็มีซึ่งโดยหลักการก็ไม่ขัดกันแต่ประการใด เพราะผู้ที่จะรักษาสินห้าได้ถูกต้องตามความหมายอย่างแท้จริงโดยไม่กลายเป็นศิลปะประมาทไปและมันคงยั่งยืนไม่ด่างพร้อยตลอดชีวิตก็คือเคฤหัสถ์ที่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปในอัธกถาทั้งหลายเมื่ออธิบายคำว่าอาริยะที่ใช้กับบุคคลมักอธิบายลงเป็นอย่างเดียวกันหมดว่าหมายถึงพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้า ละสาวกของพระพุทธเจ้าแต่บางแห่งก็สงวนสำหรับพระพุทธเจ้าอย่างเดียวในคำพีวิพังแห่งอภิธรรมปิดกกล่าวว่าอาริยะได้แก่พระพุทธทั้งหลายและพุทธสาวกทั้งหลายส่วนคำว่าอาริยะที่ใช้เป็นคุณน า, นามของข้อธรรมหรือการปฏิบัติ มักมีความหมายเท่ากับคำว่าโลกุตระแต่ไม่ถึงกับแน่นอนตายตัวทีเดียวเท่าที่กล่าวมาเกี่ยวกับคำว่าอริยะพอสรุปได้ว่าแม้คำว่าอริยะนี้จะมีความหมายกว้างสักหน่อยแต่ในกรณีที่ใช้เรียกบุคคลแล้วจะหมายถึงกลุ่มชนเดียวกับทกินยะบุคคลเป็นพื้น คือหมายถึงท่านผู้พ้นจากภาวะอุทุชนและจัดเข้าในกลุ่มสา ว, วกสงฆ์ที่ปัจจุบันนิยมเรียกว่าอริยสงฆ์ยิ่งในคัมภีร์รุนธัตถกะถาลงมาด้วยแล้วใช้อริยกันในความหมายนี้แทบจะตายตัวทีเดียวตัวอย่างที่ไม่ได้ใชในความหมายนี้ในกรณีเช่นนี้อธถกะถาอธิบายว่าอริยมีสีประเภท คือ 1. อาจาระอาริยะอริยะชนโดยความประพฤติคือผู้ดำรงอยู่ในหลักแห่งความดีงาม 2. ทัศนะอาริยะอาริยะชนโดยรูปร่างลาักษณะอาการที่เห็นแล้วน่านิยมเลื่อมใส 3. ลิงค์าอาริยะอาริยะชนโดยเพศ คือนุ่งห่มครองเพศเป็นสมณะ 4. ปฏิเวทอริยะอริยชนโดยการตรัสรู้ได้แก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพุทธสาวกอีกอย่างหนึ่งคำว่าอาริยะ นิยมใช้ในกรณีที่พูดถึงอย่างกว้างๆคลุมๆโดยไม่ระบุไม่แจกแจงระดับขั้นส่วนทักขิ น, นัยมักใช้ในกรณีระบุแบบเป็นสาบเฉพาะในทางวิชาการดังนั้นในที่ทั่วไปจึงพบคำว่าอริยะใช้ดาดไปมากกว่าคำว่าทักขินใ น, ในที่สุดข้อที่มีควรลืมก็คือพระประสงค์ของพระพุทธเจ้า ที่ส่งมุ่งให้มองอริยะหรืออริยชนในความหมายใหม่ซึ่งต่างจากที่พวกรามบัญยัติไว้เมื่อจับความหมายในแง่นี้ก็ลงข้อสรุปได้อีกท่อนหนึ่งซึ่งเน้นความหมายในแง่สังคมว่าอริยะหรืออริยชนที่จะเป็นสมาชิกในสังคมใหม่คือชุมชนชาวพุทธนั้นเป็นอริยชนดรืย อ, อริยธรรม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 ไม่ใช่ศิลธรรมที่ประพฤติตามคำบงการของเจ้าหน้าที่ผู้ผูกขาดศาสนาผู้ล่อและขู่ด้วยผลตอบแทนแก่ผู้หวังประโยชน์ส่วนตัวในรูปต่างๆซึ่งศิลธรรมจะบิดเบือนแปลรูปไปได้ต่างๆตามความพอใจของเจ้าหน้าที่ผูกขาดศาสนานั้นดังเช่นศิลธรรมแบบพิธีบูชายันของผู้พรามเป็นตัวอย่าง